การปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านฟังถ้าเผื่อว่าเราทําเราทําเราได้ไม่ใช่แค่นั้นเราทําเรา เราเจริญเรารักษาตัวเองอย่างนี้บ้างเรารักษาศีลบ้างเนี่ยเรารักษาตัวเองอย่างนี้ใช่มั้ยก็ชื่อ เราต้องการรักษาเค้าอ่ะเราไปด่าอีกคนนึงสมมุติก็ไปช่วยด่าคนนู้นด้วยอัน ตัวเองกำลังจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือรักษาด้วยความอดทนรักษา ในนี้สมมุติเราดูเค้กอ่ะดูเค้กอย่างเงี้ยคุณแบ่งเค้กนะกันเมืองก็แบ่งเค้กกันนะฉันแบ่งเธอเธอฉันเสียเธอ นะเราไปขอต่อจากเขานะเค้าให้ให้ไฟ 2 นะเราเอาเราเทียนของเราที่มีไฟติดอยู่นะไปต่อให้คนอื่นคนอื่นเค้ามีแต่เทียนเค้า เราให้คนอื่นคิดว่าคนอื่นเขาจะได้ได้ดีตัวเร นะแล้วคนหนึ่งก็จะไปหมุนไม่ได้นอกๆๆๆตอนนี้หมุนอยู่นะเราถ้าเราจะไปทวนเป็นกงล้อที่มีพลัง นะสรรพโลกเป็นไปตามกับมุนไปตามนี้นะเราก็ต้องหมุนแพ้เองนะทีนี้พอเราหมุนไปหมุนไป เขาคนอื่นเค้าเป็นอย่างงี้เออเราก็ไม่ถูกว่ามีความรักความ พวกราชการข้าราชการเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในธรรมใช่มั้ยมันก็แพ้ไปละเนี่ยพราหมณ์ก็แต่บดีทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมนะพ่อ เราจะต้องคอยรักษาท่านผู้ฟังนะรักษาทั้งคนอื่นรักษาตัวเราเราไม่ต้องไป นะเป็นการแสดงกายกรรมเอาไม้ไผ่นี่ๆนี่ตั้งขึ้นไว้บนอกนะก็เอาไม้ แล้วก็เอาไม้เนี่ยหนุนอยู่บนอกหรือบนหัวของตัวเองนะส่วนในลูกศิษย์คนที่ตัว ส่วนตัวน้ําบักขึ้นอยู่ข้างบนบอกไม่ได้ไม่ได้มาดูตัวอย่างสมมุติว่าเราเป็นคนที่อยู่ข้างล่างนะสมมุติเรา ก็ถูกนะตรงที่ว่านะตรงที่ว่าอ้าวฉันจะรักษาเธอนะฉันจะรักษาเธอก็เลยคิดว่าจะให้คนอื่น เขาจึงรักษาตัวเขาเพื่อให้น้ำหนักของเขาเนี่ยมันๆอยู่ในขณะที่คนข้างล่างก็ต้องรักษาน้ำหนักของคนข้างบนเนี่ยมันจึงถูกทั้ง เราต้องการรักษาผู้อื่นใช่ไหมคุณรักษาเขาสินั่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เพราะเจริญสติสัมปทานเพื่อรักษา โอ๊ยแม้ห้องน้ํามันเหม็นขนาดไหนก็ยังต้องหายใจหรือบางทีเรานอนอยู่ เรามีสติได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นที่ๆเข้าไปไงปากเริ่มขยับปากเริ่มขยับด่าบ้าง รายออกแรงท้ําผิดต่างๆนานาเราจึงต้องรักษาจิตตรงนี้นะพระพุทธเจ้าจึงให้ การมันก็ไม่ถูกอีกตรงกันทั้งแบบบดหัวบังคับความคิดมันก็ไม่ถูกอีก หารู้มั้ยว่าไอ้การที่ตัวเองทําเนี่ยคุณอื่นนายด้วยเดี๋ยวลองคิดดูสิฟังถ้าสังคมไทยของเราเนี่ย คำพูดยุหยงให้แตกกันคำพูดสับสอฟังความข้างนี้แต่ถ้าเราไม่พูดซะหยุดเขาจะ 1 2 เรเราสามัคคีกันได้ เราเราดีกันๆบอๆไปตามเรื่องตามราวก็ ในเรื่องการแบ่งสีแบ่งข้ามมันก็เป็นไปตามหน้ากิเลสตอนนี้มันมันได้โอกาสมันก็มา คนรับรอบข้ามก็ดีขึ้นมานะการๆก็จะ นะร่างกายเราก็ไม่มีทุกข์โทษมากไม่มีโรคภัยเพราะความที่ข้าวใกล้ต่างๆมันไม่มีการ เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระ